วันที่สี่ยื้อกับโลกภายนอกเช้านี้ทำสมาธิได้ดีขึ้นเล็กน้อยความจริงไม่ได้สงบเงียบหนักแน่นหรือสว่างสวัยอะไรใจยังฟุ้งตามเคยเพียงแต่นั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ง่วงเท่านั้นแต่เมื่อลืมตาขึ้นฉันเริ่มรู้สึกได้ชัดว่าสติดีขึ้น ยังบอกไม่ถูกว่าเอาอะไรวัดแต่คล้ายโลกภายในมันชัดกว่าเก่าอาจจะเพราะลดปริมาณความหดหู่มึนซึมในการลืมตาตื่นก่อนไก่โฮแล้วซึมซับความสดชื่นแจ่มใสในอากาศยามเช้ามืดกระมังอีกประการหนึ่งวันนี้คล้ายเริ่มมีกำลังวังชาพักพร้อมกว่าเคยพอรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้นานขึ้น ฉันก็มีมุมมองเห็นลมหายใจต่างไปคือไม่ใช่แค่ราวเกาะแต่เป็นฐานที่ตั้งของสติเวลาที่เหลือของวันฉันจะกำหนดว่าเมื่อใดรู้ทันลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นใจอยู่กับฐานสติที่ถูกเมื่อใดลมหายใจหายหุนไปจากจิตเมื่อนั้นใจออกจากฐานที่มั่นของสติแล้วพระป่าเรียก จิตส่งออกนอกทั้งลืมตาดูโลกและเคลื่อนไหวตามปกติฉันเห็นลมหายใจได้ต่อเนื่องทีละสองสาครั้งก่อนเลือนไปเป็นผวังหรือเบนกระแสไปจับสิ่งอื่นจนลืมลมหายใจสนิทแค่นั้นก็รู้สึกดีแล้วถึงแม้ยังเหมืนานกว่ามีสติรู้อย่างน้อยก็ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่า จิตอยู่ที่ฐานหรือส่งออกนอกมากกว่ากันเดินสวนกับคู่อริในที่ทำงานเกิดอาการหม่นไส้ตามเคยสายตาชิงชังซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นอะไรที่แย่จังเราก็ทุกเขาก็ทุกต่างก็รู้ว่าทุกแล้วยังกอดไว้กับตัวอยู่นั่นเวนตามเคยฉันกําลังส่งจิตออกนอกแน่ๆ เพราะไม่รู้สึกถึงลมหายใจแม้แต่นิดเดียวในยามนั้นแต่ก็เห็นเช่นกันว่าพอตะล่อมจิตกลับเข้าที่ได้ลมหายใจก็ปรากฏใหม่เอ๊ะฉันพูดผิดหรือเปล่าต้องบอกว่าลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาสติตัาหากที่หายไปแล้วกลับมาปรากฏใหม่เห็นชัดอีกครั้งว่า ถ้าไม่เอาอย่างหนึ่งเป็นเป้าจะไม่รู้ว่าสติเกิดหรือหายบ่อ ย, อยเริ่มทำงานยังมีอาการง่วงอยู่เล็กน้อยแต่ก็ทนคิดว่าพรุ่งนี้คงชินกับเวลาตื่นนอนใหม่ได้แล้วขณะต้องยุ่งอยู่กับงานครึ่งชั่วโมงจะรู้ลมหายใจสักทีหนึ่งและรู้แค่หายใจเข้าเด่นเด่นเสร็จแล้วลืมอีกเป็นนานกว่าจะนึกขึ้นได้อีก แต่ก็เข้าหลักรู้ได้เท่าที่รู้อันเดิมตอนทานเข้าเที่ยงเสร็จฉันกลับมานั่งที่โต๊ะและตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าทำอย่างไรจะยืดเวลารู้ลมหายใจในที่ทำงานให้ได้นานกว่านี้เมื่อลองทบทวนเพื่อวิเคราะห์ตัวเองฉันก็พบว่าการหายใจในที่ทำงานของฉันนั้นค่อนข้างสั้นแถมวิธีเอาลมเข้า ก็เป็นไปในแบบกระชากอีกต่างหากและเมื่อพยายามหายใจให้ได้ น, น, นานๆก็จะใช้วิธีหายใจถีๆเข้ายังไม่ทันสุดก็พ่นออกมาพ่นยังไม่ทันหมดก็ตั้งท่าจะดึงลมลุ่งหน้าซะแล้วเหล่านี้ล้วนเป็นอาการหายใจผิดๆเหยาว่าแต่จะมาใช้เป็นฐานสติเอาแค่ให้ถูกสุขลักษณะก็ไม่ได้แล้ว ฉันนึกถึงการหายใจขณะนอนที่หน้าท้องขยายขึ้นได้เต็มที่แล้วมีความสบายไปตลอดทั้งกายและจิตจึงนั่งพิงพนักเก้าอี้ตามสบายปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายและผพองหน้าท้องออกเพื่อลากลมเข้าอย่างยาวจากนั้นระบายลมออกเหมือนลูกโป่งที่คนปล่อยปากให้คายลมช้าๆโดยไม่เร่งบีบ ความสบายกายและจิตทำให้เกิดความติดใจเมื่อติดใจย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นเป็นสำคัญแต่ยังปักหลักอยู่กับสิ่งที่ทำให้ติดใจนั้นคือพองท้องช้าๆเพื่อลากลมเข้ายาวระบายลมออกตามสบายเหมือนลูกโป่งถูกเปิดปากให้ลมคายออกมาเองฉันทดลองดูเมื่อทางานไปพักหนึ่ง ก็หยุดหายใจแบบพองท้องสำหรับขาเข้าปล่อยตามสบายสำหรับขาออกปรากฏว่าได้ผลดีสามารถรู้ลมเข้าออกได้มากครั้งขึ้นกว่าเจือนและแม้มื่อก้มหน้าลงทำงานต่ออีกส่วนหนึ่งก็ยังติดตามลมหายใจได้เป็นครั้งเป็นคราวด้วยเจอกับคู่อริตอนเย็นไม่รู้เป็นอย่างไร ชอบเดินสวนกันเช้าครั้งเย็นหนคราวนี้ฉันกระตุกสติให้ทำงานแต่ยังเป็นการทำงานแบบทื่อมะลื่ออยู่คือรู้ลมหายใจก็จริงแต่ก็มีความเกรงเครียดไปทั้งตัวประกอบอยู่ด้วยแต่ก็เอาละนะดีกว่าเกิดความเกลียดเต็มๆส่งจิตออกนอกหมดโดยไม่มียางยืดจากฐานสติมาช่วยเหนียวรั้งเอาซะเลย ทำสมาธิในคืนนี้ฉันก็นั่งยื้อระหว่างจิตส่งไปคิดเรื่องข้างนอกกับจิตเข้ามาเก็บตัวอยู่กับฐานสติเอาแค่รู้ให้ได้ว่าขณะนี้วินาทีนี้กำลังออกหรือกำลังเข้าเท่านั้นไม่หวังมากกว่านั้นจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างสรุปในคืนนี้ เห็นตัวเองทื่อๆเป็นหุ่นกระบอกชอบกลแม้จะรู้ว่าจิตกำลังอยู่ภายนอกหรือกลับเข้ามาข้างในก็คล้ายรู้แบบทึบๆหรือมีคิดผสมไปด้วยแต่อย่างน้อยก็เริ่มมีข้อเปรียบเทียบระหว่างจิตส่งออกไปข้างนอกกับจิตกลับเข้ามาข้างในแล้วก็แล้วกัน